นี่เป็นเรื่องของคนแก่แต่ถ้าคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ลิ้นจะทำหน้าที่ตวัดพอลิ้นตวัดอาหารไปแล้วฟันจะทำหน้าที่เคี้ยวระหว่างที่เคี้ยวอย่างนี้ก็มีน้ําลายเข้ามาคลุกด้วยน้ําลายเข้ามาคลุกอาหารจนกระทั่งดูไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่กลืนลงไปสู่ภายในโดยเราคายออกมาเสีสอกอดบอกว่า พักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตักกลืนใหม่อาตมารับรองว่าไม่มีใครปักปักเข้าปากอีกได้เป็นครั้งที่สองแน่แน่คือพอเคี้ยวละเอียดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอคลายใส่จานเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตักใส่ใหม่คอยอีกสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเนี่ยครั้งที่สองเราจะตักเข้าไปไม่ได้มันจะเป็นของหน้าเกลียดทันทีแต่นี่เพราะว่าเรามองไม่เห็นเมื่อเรามองไม่เห็นเราก็กลืนลงสู่ภายในก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นของที่หน้ารังเกียจ ยังรู้สึกว่าแม้อร่อยดีเพราะว่ารสมันอยู่ที่คอพอเรากลืนลงไปรสของอาหารก็ปรากฏ ท, ทันทีว่าแมมรสดีอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้พอลงไปสู่ภายในแล้วท่า <c oughs> นบอกยิ่งร้ายใหญ่เพราะาข้างในเนี่ย <c oughs> มีเลือดมีสเเลส ท, ที่เรากลืนลงไปเนี่ยมันก็ไปคลุกเคล้ากันอยู่แล้วจะทำหน้าที่เนี่ยย่อย เป็นฟองอ ย, อยู่ในกระเพาะนี่เป็นฟองปุดๆเหมือนอย่างการ เ, เราเอาของเน่าๆไปทิ้งไว้ในบ่อแล้วก็ถูกแดดเผามากๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นฟองบูดขึ้นอาหารที่เราบริโภคไปในกระเพาะ อ, อาหารก็เหมือนกันมันจะเกิดเป็นฟองพอถูกไฟธาตุเผาก็จะเป็นฟองบุดขึ้นมา เ, เหมือนกับอาหารบูดๆที่อยู่ในบ่อเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อ ถูกไฟทัดแผดเผาแล้วอาหารเหล่านี้ก็แปรสภาพไปเป็นอาหารเก่าแล้วผลสุดท้ายก็กลายเป็นกากอาหารประเภที่สุดซึ่งเราก็จะต้องทําหน้าที่ชําระล้างถ่ายเทกันออกไปให้เราคิดถึงความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้เราบริโภคอาหารกันอยู่ทุกๆคนแล้วก็เราก็กลืนกินอาหารเนี่ยทางปากทั้งนั้น เว้นไว้แต่คนที่ป่วยเท่านั้นแหละจึงจะต้องใช้สายยางป้อนลงไปในกระเพาะ อ, อาหารหรือมิฉนั้นก็ต้องใช้ฉีดเข้าไปเพื่อรอเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่แต่โดยเฉพาะที่เรายังอยู่ในสภาพปกติอย่างนี้ <c oughs> เรากลืนกินอาหารกันด้วยปากทุกคนแล้วก็เมื่อกลืนลงไปสู่ภายในแล้วเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ย่อยและมันจะกลายเป็นกาก ซึ่งเมื่อกลายเป็นกากแล้วมันก็จะต้องถูกขับถ่ายออกจากร่างกายล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นท่านบอกเราเอาเข้าไปทางเดียวแต่เวลาออกเนี่ยออกตั้งเก้าทางออกตั้งเก้าทางซึ่งเป็นของปฏิกูลตามขุ้มขนของเราทั้งหมดเนี่ยเหงือใครนั้นคือของปฏิกูลที่ออกจากร่างกายทางตาทางจมูกทางปากทุกทางที่ แล้วแต่ว่าทางใดที่มันจะออกได้ก็จะถูกขับถ่ายออกมาสิ่งที่ถูกขับถ่ายออกมาอย่างนี้คือความปฏิกูลที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นเรื่องอาหารเก่าทั้งหมดเนี่ยเราพิจารณาอาหารใหม่แล้วก็มาพิจารณาอาหารเก่าซึ่งเป็นลักษณะของอวัยวะอันหนึ่งในข้อที่สิเก้าหรือว่าเป็นอาการข้อที่สิบเก้าที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านให้พิจารณาอย่างนี้ เนี่ยเป็นเรื่องของอาหารเก่าทีนี้ลักษณะของมันสมองลักษณะของมันสมองนี้เป็นอาการที่ยี่สิบมันสมองนี้ท่านบอกว่าได้แก่ก้อนของมันสมองที่ตั้งอยู่ภายในกระโหลกศีรษะในกระโหลกศีรษะเราจะมีมันสมองอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งสีของมันก็สีขาวท่านอุปมาว่าเหมือนกับสีก้อนเห็ดหัวงู ไม่ทราบว่าเหตุหัวงูมีสีอย่างไรเนี่ยเป็นสีขาวแต่ก็ไม่ใช่ขาวทีเดียวเป็นสีขาวเหมือนกับสีของน้ำนมที่เหลือแล้วก็ใกล้จะเสียแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ขาวแล้วก็ไม่ใช่เหลืองเป็นสีอย่างนั้นอะ่ะเป็นมันสมองที่อยู่ภายในกระโหลกศีรษะของเราตั้งอยู่เบื้องบน อ, อซึ่งอาศัยแนวประสานกันอยู่สี่แนวกระโหลกศีรษะเราเนี่ยมีแนวประสานอยู่สี่แนวด้วยกัน ครอบครอบรักษามันสมองเนี่ยอยู่ซึ่งก็ท่าบอกว่าอยู่ในกระโหลกศีรษะเนี่ยเป็นก้อนๆเหมือนกับแป้งสี่ก้อนในกระโหลกศีรษะเราเนี่ย <c oughs> รวมกันไว้เหมือนแป้งสี่ก้อนมาตั้งรวมกันไว้ภายในกระโหลกศีรษะนี่เป็นลักษณะของมันสมองทีงนี้ลักษณะที่ยี่สิบเอ็ดคือดี ดีคนเรานี่มีอยู่สองชนิดในพระวิสุทธิมัทยนี้ท่านบอกมีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งคือดีที่เป็นฝักอย่างหนึ่งกับดีที่ไม่เป็นฝักดีที่เป็นฝักท่านบอกว่าโดยสีแล้วก็สีเหมือนกับสีน้ำมันที่สกัดจากผลมะสางข้นสีน้ำมันที่เราคั้นออกมาจากผลมะสาง มาสาที่คุนค้นอยู่เนี่ยส่วนดีที่ไม่มีฝักนี้ก็สีมันดอกพิกุลที่เหียวแล้วก็เกิดอยู่ในทิศเบื้องบนซึ่งเป็นที่ที่ตั้งของดีเหล่านี้แต่ละคนก็มีดีอยู่ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีที่เป็นฝักนี้ก็อยู่ในฝักอันดี mm. เช่นเดียวกับรังบ ว, บวกขุมใหญ่บวกขมใหญ่ๆ ตั้งอยู่ในภายในรังเช่นนั้นและก็แนบเนื้ออยู่กับรับในระหว่างหัวใจและปอดที่เมื่อมันกำเริบแล้วจะทำให้คนเนี่ยมีจิตใจแปรปรวนถ้าเกิดความกำเริขึ้นกำเริบขึ้นมาเนี่ยมีจิตใจแปรปรวนแล้วก็ทำให้ไม่มีหิริคือความละอายตบบาทไม่มีโอตับบาทคือความเกรงกลัวตบบาทเราเรียกตามภาษาไ ท, ไทยว่าบ้าดีเดือด ดีเดือดก็หมายถึงดีเนี่ยมันผิดปกติพอดีผิดปกติจิตใจของคนก็ผันแปรเป็นอย่างอื่นคนดีๆก็กลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดทําให้จิตเนี่ยเต็มไปด้วยโทสะร้ายเราเรียกว่าคนบ้าดีเดือดอันนี้ความจริงแล้วเป็นลักษณะอาการแปรปรวนไปของดีจากดีก็มาถึงสเลดซึ่งเป็นอาการที่ยี่สิบสองสเลดนี้ก็คือสเลดภายในสีรละ คนหนึ่งคนหนึ่งนี่ท่านบอกว่าเราเนี่ยมีสเลตอยู่ประมาณบาทหนึ่งบาทพระที่ท่านบินท่านบาทอยู่เนี่ยถ้าหากว่าจะรวมสเลตทั้งคนแลว้วก็บาทเต็มเต็มเลยแต่ละคนเนี่ยมีสเลตอยู่แต่ก็ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูก็ได้บางทีเราขาดสเลตเวลาร่างกายผิดปกติขึ้นมาเนี่ยสเลตออกมากมายไม่รู้มาจากไหนหรือบางทีเวลาเป็นหวัดเราสั่งน้ํามูกออกมาตั้งเยอะแยะไม่รู้มาจากไหนถ้ารวมรวมกันแล้วว่าคูงจะเต็มบาท มีอยู่ทุกคนเนี่ยคนระบาดคนระบาดบาทพระนะถ้าบอกว่าสเสดเหล่านี้บั้งอยู่ในกระเพาะท้องเวลาเรากลืนน้ําและข้าวเป็นต้นเมื่อน้ําข้าวเป็นต้นตกลงไปก็ย่อมแยกออกเป็นสองภาคแล้วก็ข้าวน้ําเนี่ยก็แหวกลงสู่กระเพาะอาหารพอหลุดพ้นไปแล้วสเลดก็มาปิดเสียปิดปากทางเนี่ย พุ่มเอาไว้อีกทีหนึ่งให้มิดชิดไม่ให้กลิ่นอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาเพราะฉะนั้นบางครั้งทีออ่อาหารที่เราบริโภคลงไปเนี่ยมันแน่นเกินไปเราเลอะออกมาทางปากเราจะรู้สึกทันทีว่าไอ้กลิ่นอาหารที่เรากลืนลงไปเนี่ยมันออกมาออกมาในขณะที่เราเลอะเนี่ยออกมาทางปากซึ่งก็เป็นของที่ไม่สะอาด นอกจากเสลธแล้วก็มาถึงลักษณะของหนองหนองนี้ก็ได้แก่หนองที่เป็นซากโลหิตที่เน่าหนองนั้นคือซากของโลหิตที่เน่าแล้วเราเรียกกันว่าหนองหนองนี้โดยสีท่านบอกว่าเหมือนกับใบไม้สีเหลืองอยู่ภายในสรีระของคนที่ตายหรือสีเหมือนกับน้ําข้าวที่ข้นที่บูด แล้วก็ตั้งอยู่ภายในตัวเราทุกคนทุกคนก็มีหนองอยู่ทั้งนั้นแล้วก็เวลาเราตายแล้วก็หนองเนี่ยตหิตเนี่ยจะกลายเป็นหนองนั้นคนที่ตายแล้วจะเห็นว่าหนองไหลออกจากถาวรทั้งเก้าแล้วก็น้ำหนองเนี่ยไหลออกจากถาวรทั้งเก้าแล้วก็ตัวนอนทั้งหลายทั้งนอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายนอกหนอนที่เกิดขึ้นภายในมันก็จะเจาะจะชัย ทำให้ร่างกายเนี่ยก็เน่าเฟะไปในที่สุดนี่เป็นซากของร่างกายคนที่ตายแล้วลักษณะก็เป็นอย่างนี้ลักษณะที่สี่คือลักษณะของเลือดเลือดเนี่ยท่านบอกว่าได้เกลือสองชนิดคือเลือดข้นกับเลือดจางเลือดในตัวเราเนี่ยมีเลือดข้นกับเลือดจางแปลว่าในสมัยนี้เราแยกหมู่เลือดออกไปหลายหลายหมู่ เช่นคนนี้เลือดกรุ๊ปเออันนี้กรุ๊ปบีมีคนละกรุ๊ปคือไม่เหมือนกันแต่ละกรุป๊ปแต่ละกรุ๊ปเหล่านี้ก็ถ้าหากว่าเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันก็ใช้แทนกันได้อย่างคนที่มีเลือดหมู่เลือดกรุ๊ปเอเนี่ยเกิด <c oughs> เสียเลือดไปมากอีกคนหนึ่งจะเอาเลือดช่วยคนที่จะมาช่วยต้องเป็นกรุ๊ปเอด้วยจึงจะช่วยได้ ช่วยคนที่เลือดเสียไปหรือเลือดน้อยก็ช่วยเพิ่มเลือดให้เพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตอยู่รอดเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจึงมีการสร้างกุศลอยู่อย่างหนึ่งก็คือการให้เลือดการให้เลือดเป็นทานนี่ถือว่าเป็นอนิสงส์อย่างมากทีเดียวพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเหมือนกับเราเนี่ยให้อวัยวะเพราะว่าเลือดเนี่ยก็เหมือนกับน้ําที่เหล่าเลี้ยงชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้ดํารงอยู่ คนที่เสียเลือดมากๆเราอุทิศเลือดให้ก็ทาให้ชีวิตของคนคนนั้นดํารงอยู่ไดนะ้ปัจจุบันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ทําบุญกุศลในด้านนี้มากก็คือด้วยการบริจาคเลือดเราจะบริจาคให้ภาคาชาชหรือจะบริจาคให้โรงพยาบาลสงเราก็บริจาคได้ที่สภากาชาติก็ต้องใช้มากยิ่งปัจจุบันนี้ต้องใช้มากที่สุด ต้ช่วยเหลือตำรวจทหารที่ทําหน้าที่ป้องกันประเทศบาดเจ็บเสียเลือดเนื้อไปเราก็ต้องส่งเลือดไปช่วยถ้าหากว่าเราสละเลือดออกไปเป็นทานก็เท่ากับมีประโยชน์อย่างหนึ่งหรือเราจะไปบริจาครงโรงพยาบาลสง์เพื่อช่วยพระภิกษุที่ท่านพาตัดแล้วก็เลือดท่านน้อยพระพรานี่เลือดน้อยกว่าฆราวาสก็ควรจะได้ช่วยได้แล้วก็ได้อานิสงส์มาก เป็นทานที่รองมาจากการบริจาคชีวิตให้เป็นทานถ้าเราให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยเป็นประมัฏฐเป็นประมัฏฐทานถ้าเป็นบารมีก็เป็นประมัฏฐบารมีแต่ถ้าหากว่าเราให้เลือดเป็นทานเนี่ยเป็นถ้าโดยทานก็เป็นอุปปัถ้าโดยบารมีก็เป็นทานอุปปบารมีคือเป็นบารมีที่รองลงมาจากประมัตฏฐอีกทีนึง ซึงก็มีทางที่จะช่วยได้มากแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ได้ได้ความสะดวกในด้านนี้โดยที่ผู้บริจาคนั้นไม่เกิดความกระทบกระเทือนหรือเกิดอันตรายแต่อย่างใดอาตมาเองฉันบางวันมือหนึ่งบางวันสองมือก็ยังให้อย่างน้อยก็ให้ปีละหนึ่งครั้งในวันเกิดให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ใหม่ๆอาตมาให้ถึงสามครั้งสี่ครั้ง ถ้าพระท่านมาขอบางทีท่านจะผ่าตัดไม่มีเลือดจะมาให้แล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยจะมีฉะนั้นถ้าหากว่าใครบริจาคเลือดแล้วไม่ค่อยป่วยโรคภัยไข้เจ็บน้อยแต่เราก็ต้องอธิษฐานความไม่มีโรคด้วยเลือดนี้ถ้าหากว่าเราไม่ให้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เลือดมากบางทีก็เกิดโทษอย่างผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็แสดงว่าเลือดมากแล้วก็เกิดโทษได้แต่ระหว่างที่ไปให้ถ้าความดันเกิดก็หมอก็ไม่กลา้าเจาะต้องเวลาปกติคือเวลาที่จิตใจเราสบายโลหิตในกายเดินเป็นปกติดีเราก็ควรจะทำบุญในเรื่องดีกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเลือดที่อยู่ในตัวเราทุกคนซึ่งก็มีอยู่สองชนิดคือเลือดข้นกับเลือดจาง เรื่องเรือดเนี่ยเรารู้จักกันเพราะว่าเราเห็นกันอยู่เสมอลักต่อไปก็ลักษณะของเหงือ่อเหงื่อนี้ถ้าบอกว่าได้แก่อาโปลธาต์ที่ไหลออกจากขุมขนเพราะว่าเป็นธาตุน้ำไหลออกจากขุมขนตัวเราทุกคนเนี่ยอย่างเวลาร้อนๆเหงื่อก็ออกหรือเวลาทํางานนี่เหนื่อยความร้อนสูงขึ้นเหงื่อนี่จะไหลออกมากขึ้น ลักษณะของเหงื่อนี้ก็คืออาโปธาตุที่ไหลออกมาสีก็ท่านบอกว่าสีเหมือนกับน้ำมันงาที่ใสๆลักษณะคล้ายๆกันเหงื่อที่ออกจากตัวเราเวลาออกจากคุ้มขนนี่ก็เป็นลักษณะใสแต่ก็ไม่สะอาดเพราะว่าเป็นของที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายก็ไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไร <c oughs> นอกจากเหงื่อก็ถึงมันข้น มันคนนี้ท่านบอกว่ามีสีเหมือนกับขมิ้นที่ถูกผ่าออกมันค้นในตัวเราทุกคนเนี่ยสีเหลืองๆคล้ายๆกับขมิ้นแล้วก็โดยสันฐานท่านบอกว่าคนที่มีร่างกายอ้วนพีก่อนก็มีสันฐานเหมือนกับผ้าผ้าเก่าเนื้อหยาบๆแล้วก็มีสีเหมือนกับขมิ้นที่ผ่าออกจะมีไขมันอย่างนั้น คนอ้วนมากก็มีไขมันมากเนี่ยมันข้นก็มีมากนอกจากมันข้นแล้วก็ถึงน้ำตาลักษณะที่ยี่สิบเจ็ดคือน้ำตาน้ำตานี้ก็คืออาโปธาตุที่ไหลออกจากตาสองข้างมีสีเหมือนกับน้ำมันงาใสและ ต, ะตั้งอยู่ในทิศเบื้องบนน้ำตาเนี่ย มันจะขังอยู่ในเบ้าตาคนเราอยู่ตลอดเวลาขังอยู่ในเบ้าตาอยู่เสมอเหมือนกับดีในฝักเหมือนกับดีที่อยู่ในฝักเมื่อใดท่านบอกว่าเมื่อใดสัตว์เกิดความดีใจเกิดความดีใจหัวเราะใหญ่หรือเมื่อใดสัตว์เกิดความเสียใจ ร้องไห้ระทมอยู่หรือเมื่อใดกลืนอาหารที่ผิดปกติเช่นเผ็ดร้อนหรือเปรี้ยวเกินไปท่านบอกว่าเมื่อนั้นน้าตาของสัตว์จะหลังไหลออกมาน้ําตาจะไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นน้ําตาเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ทั้งเหตุของโสมนัส และเหตุของโทมนัสความดีใจก็เป็นเหตุทำให้น้ำตาไหลดีใจมากน้ำตาก็ไหลปีติมากน้ำตาก็ไหลเสียใจมากน้ำตาก็ไหลเพราะฉะนั้นไหลได้ทั้งดีใจกับเสียใจในมิดินทปัญหาเนี่ยพระเจ้ามิลินจึงได้ัสถาปัญหาแก่พระนาคเสนบอกว่าน้ำตาของสัตว์เนี่ย มีอยู่กี่ประเภทพระน่าคะเสนท่านท่านทูลว่าน้ำตาของสัตว์เนี่ยมีอยู่สองประเภทคือมีน้ำตาร้อนกับน้ำตาเย็นน้ำตาร้อนในดันกลางนี่ก็หมายถึงน้ำตาที่เกิดมาจากความร้อนใจเช่นคนที่เสียใจมากๆเกิดจากความโทมนัดใจน้ำตาไหลท่านบอกน้ำตาประเภทเนี่ยเรียกว่าน้าตาร้อนน้ำตาอีกประเภทหนึ่งน้าตาเย็น น้ำตาเย็นนี้ก็คือน้ำตาที่เกิดจากความดีใจเกิดจากปีติโสมนัตน้ำตาก็ไหลในระหว่างน้ำตาทั้งสองประเภทนี้ท่านบอกว่าน้ำตาเย็นเป็นเพศัชเป็นยาน้ำตาร้อนนั้นให้โทษเพราะว่าคนที่น้ำตาไหลเพราะความเล่าร้อนในทางจิตนั้นสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโสมคนที่น้ำตาไหลเพราะความเย็นนั้นสุขภาพก็สมบูรณ์ จำได้อาตมาเคยอ่านหนังสือจากพวกจิตแพทย์เคยแนะว่าคนที่ร้องไห้กับคนที่ไม่ร้องไห้เนี่ยเช่นคนที่ประสบกับความสูญเสียแล้วร้องไห้กับคนที่ไม่ร้องไห้ท่านบอกว่าคนที่ไม่ร้องไห้เนี่ยสุขภาพเสื่อมคนที่ร้องไห้สุขภาพไม่เสื่อมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนไหนที่ร้องไห้เก่งๆท่านบอกคนนั้นอ้วนอ้วนผีไม่ไม่ผอมคนไหนที่ไม่ค่อยจะร้องไห้เวลามีความทุกข์ใจคนนั้นผอม จะสูบซิดแล้วก็พ้อมลงพ้อมลงความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบแต่ว่าจิตแพทย์บอกว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเทียบกับบ่อกเกิดของน้ําตาแล้วก็น้ําตาร้อนเกิดจากความเร่าร้อนของจิตน้ําตาเย็นเกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ําตาหลั่งไหลออกมาในขณะที่จิตเป็นกุศลเนี่ยก็เป็นประโยชน์ <c oughs> เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนคนที่เกิดความเดือดร้อนใจแล้วก็ร้องไห้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ความทุกข์นั้นหมดไปน้ำตาก็ช่วยชําระได้แต่บอกน้ำตานี่มีทั้งคุณทั้งโทษที่เป็นคุณก็คือชําระปุนละอองในตาเนี่ยให้หมดไปได้คนที่ร้องไห้ไปบ่อยตาสะอาดตาหวานคนที่ไม่ค่อยร้องไห้ตาไม่หวาน เพราะน้ําตาช่วยชําระไอ้พวกฝุ่นละอองต่างๆภ า, า, า, ายในตานีให้ออกไปนอกจากลักษณะของน้ําตาแล้วก็เป็นลักษณะของมันเหลวมันเหลวนี้คื อ, อเปรวมันนั่นเองท่านบอกว่าเหมือนกับสีเหมือนกับน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวที่เราเคี่ยวจากผลมะพร้าวเนี่ยเอา ท, ทัิมาเคี่ยวเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ํามันมะพร้าวขึ้น เมใอตัวคนก็มีลักษณะเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวมีอยู่ในตัวเราเนี่ยมีมันเหลว อ, อยู่ด้วยนอกจากมันเหลวก็น้ำลายน้ำลายนี้ก็คืออาโปธาตที่เป็นฟองแล้วก็ระคนอยู่ภายในปากของเราเรียกว่าน้ำลายหล่อเลี้ยงอยู่เกิดอยู่ภายในปากซึ่งก็ทําประโยชน์หลายอย่างน้ำลายเนี่ยทําให้อาหาร อ, รอร่อยก็ได้ ทำให้เราไม่คอแห้งผากก็ดันเป็นประโยชน์ต่อต่อปากมากนอกจากน้ําลายแล้วก็ถึงน้ํามูกน้ํามูกก็คือขี้มูกเวลาเป็นหวัดสั่งออกมาอ่ะขี้มูกแล้วก็มาถึงลักษณะไขข้อนอกจากน้ํามูกแล้วก็ไขข้อแต่ว่าไขาข้อนี้ก็ได้แก่ซากที่เป็นใครอยู่ภายในข้อ ทั่วสรีระร่าง ก, กายของเราจะมีไขอันนียหล่อเลี้ยงข้ออยู่เหมือนกับจาระบีที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของรถนี่ไม่ให้ฝืดคนที่มีไขข้อดีก็ไม่ค่อยปวดค่อยขัดเท่าไรมันก็ไม่ฝืดจะเป็นข้อมือข้อเท้าเราจะงอเราจะเหยียดเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันคล่องแคล่วขึ้นกับสรี่าไขสแสดงว่าไข่ข้อดีถ้าไขข้อไม่ดีก็ไม่ค่อยจะคล่อง นอกจากไขข้อแล้วก็ถึงลักษณะของมูดมูดนี้ก็มีสีเหมือนกับน้ำต่างกับน้ำถัว่วมูดเราคงจะเคยได้ยินว่ามีเพศัตว์อยู่ขนาดหนึ่งเป็นเพศสตัตว์ชั้นเอกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็คือน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าเนี่ยเป็นเพศสตัตว์ชั้นชั้นหนึ่งที่ประสงค์ในสมัยก่อนใช้อยู่ เวลาเจ็บป่วยก็อาศัยน้ำมูดดองกับออดองกับผลสมอสมอดองกับน้ำมูดแล้วก็มารับประทานเวลาเจ็บป่วยก็หายโรคทุกชนิดสมัยก่อนก็รักษาด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นด้วยน้ำมูดเนี่ยก็คือปัสสาวะของเราทุกคนเนี่ยใช้ได้เป็นยาจะบอกว่าเวลาคนเป็นรมส่วนมากแล้วเราก็ใช้มูดของปูหรือเยี่ยวปู ซึ่งเป็นยาเนี่ยเอามาดมเพื่อให้เกิดความฉุนให้คนสรุปเนี่ยฟื้นแต่ว่าทางตำนานของเรานี้โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเยี่ยวอูสู้เยี่ยวคนไม่ได้บอ แ, แก้ลมดีดีกว่าเยูย่แต่เราต้องรู้จักเก็บเอาไว้ต้องไปตากแดดให้เป็นสเก็ตแล้วต้องเอามาทำเป็นยาได้ในที่สุดเป็นยานะอยู่ในตัวเราทุกคน อกเวลาเดินป่าเดินดงคนกระหายน้ำเจ็บป่วยก็ต้องรับประทานน้ำมูดแต่ก็ต้องเป็นน้ำมูดที่สะอาดเป็นน้ำมูดของตัวเราเองแล้วก็รับประทานได้ถ้าหากว่าคนโบราณส่วนมากเขานิยมเก็บเอาไว้แล้วก็ทำเป็นยาแต่สมัยนี้ยาเจริญแล้วก็อย่าไปทาเลยสมัยก่อนนี้ยายังขาดแคลนอยู่เราก็ใช้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นยาอีกทีห น, นึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องอาการสามสิบสองที่มีอยู่ในตัวเราถึงสามสิบสองอย่างประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย <c oughs> ทีนี้ผลแห่งการเจริญกายยคตาาสติเนี่ย <c oughs> จะเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ได้มาก <c oughs> แค่ไหนนี่ก็อยู่ที่เราจะพิจารณาถึงสันฐานของอวัยวะเหล่านี้ได้ถูกต้องหรือไม่ ตั้งแต่ผมขนเล็บปันเป็นต้นมาทีเดียวเราจะต้องพิจารณาให้เห็นถึงสภาวะแห่งความเป็นจริงของอวัยวะใหญ่น้อยเหล่านี้ว่าสันฐานนั้นเป็นอย่างไรเมื Here, so us, ่อพิจารณาความจริงส่วนนี้แล้วจิตก <mutta> ็จะสงบลงตามลาดับนิวรณ์ที่เคยเกาะกินจิตของเราอยู่ก็จะหมดไปการพิจารณาความจริงอย่างนี้ไม่ใช่เป็นโทษ ต่อผู้ที่พิจารณาแต่ว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมากจิตของคนจะสงบระงับได้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาความจริงส่วนนี้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่สงบระงับเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาอยู่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสว่าก็มาฐานข้อนี้เป็นอุบายเครื่องผูกใจของบุคคลเนี่ยให้อยู่กับที่ได้ โดยไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นพระที่บวชใหม่ๆท่านจึงต้องให้มูลกรรมฐานนี้ก่อนคือให้เจริญกายคตาสติก่อนเนี่ยเป็นเบื้องต้นอุปชาจะบอกให้เราพู้รกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเพื่อผูกใจเพราะว่าพระที่บวชใหม่นี่จิตยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆทางโลกอยู่ เวลาใดที่จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ให้พิจารณากรรมฐานบทเนี่จะเป็นอุบายเครื่องสงบใจได้อย่างดีเพราะฉะนั้นจึงเรียกกรรมฐานประเภทนี้ว่ามูละกรรมฐานเราเจริญกายยกตาสตินั้นจะต้องพิจารณาความจริงที่มีอยู่ในกายเราทุกคนแล้วจิตของเราก็จะสงบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องบรรเทาโมหะการที่เราได้หลงไหลในความงามในตัวเราก็ดี เราก็จะได้เห็นความจริงส่วนนี้ว่าความจริงแล้วก็ไม่ใช่ความงามอะไรเป็นแต่เรื่องที่เป็นปฏิกูลเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกสภาพชนีดว่ากายร่างกายกายะสัพทเนี่ยคือความเป็นปฏิกูลการพิจารณาความเป็นปฏิกูลอยู่เสมออย่างนี้พิจารณาอาการสาสิบสองอยู่อย่างเนี่ยเรียกว่ากายะคตาสติโดยที่เราจะพิจารณาในองค์ใดองค์หนึ่งก่อนก็ได้ เอามาบริกรรมเป็นหมดหมดไปแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาเพราะว่ากรรมฐานข้อนี้เป็นกรรมฐานที่เราไม่ค่อยได้พิจารณากันเท่าไรนักนั่นคราวที่แล้วที่จะมาให้ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงตจากปันจักกรรมฐานนั้นก็เพียงแต่ให้บริกรรมเกสาโลมานขาธัานตาตะโจ หรือผู้ที่จะพิจารณาถึงว่กกากาปัจจกะก็ให้พิจารณาถึงมังสังนหารูอัติอัติมินชังและก็วคกกังคือพิจารณาถึงเนื้อไปถึงม้ามแต่ว่าหมวดต่งตางๆเหล่ า, า, ลานี้เราอาจจะไม่ต้องพิจารณาทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าเราพิจารณาทั้งหมดแล้วรับรองว่าจิตของเราทุกคนจะสงบ คือธรรมชาติของจิตเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับลิงถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าจิตนี้เหมือนกับลิงทําอย่างไรเราจะจับลิงตัวนี้ได้สมมุติว่าเรามีสวนตาลอยู่สวนหนึ่งมีต้นตาลอยู่สามสิบสองต้นเราจะจับไล่จับลิงตัวเนี้ยเราจะมีวิธีไล่จับอย่างไรเพราะพอเราวิ่งมาต้นตาลต้นนี้ลิงตัวนี้ก็กระโดดไปต้นตาลต้นนั้น เราก็ต้องวิ่งไล่ตามลิงอยู่เสมอตลอดเวลาท่านบอกถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะผู้ที่ไล่ตามลิงไม่หยุดหย่อนก็จะจับลิงได้เพราะว่าเมื่อลิงมันกระโดดไปกระโดดมาในต้นตาล32ต้นนี้มันจะต้องอ่อนเปรียเพียแรงลงและมันจะต้องเพรียในต้นตาลต้นใดต้นหนึ่งมันจะเกาะอยู่ต้นตาลเพียงต้นเดียวเท่านั้นแล้วเราก็จับลิงที่ต้นตาลต้นนั้นได้ ข้อนี้ชันใดจิตที่กระโดดโลดแล่นไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยวุ่นวายทั้งวันไม่มีเวลาหยุดย่อนเรามีทางหนึ่งที่จะทำให้จิตของเรานี้เป็นสมาธิขึ้นได้ด้วยการบริกรรมถึงอาการ32เนี่ยแกสาโลมานาขาชันตาตะโจจิตมันจะแล่นไปถึงไหนก็าตามมันจะต้องไปหยุดในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นอารมณ์เมื่อหยุดในองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาอารมณ์อื่น บริการมแต่อารมณ์อันนี้อารมณ์เดียวเท่านั้นก็ใช้ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องพิจารณาหมดทั้งสามสิบสององค์องใดองค์หนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าเป็นเหตุให้จิตเกิดสมาธิเช่นเราจะพิจารณาเกสาเพียงอย่างเดียวก็ได้สมาธิก็เกิดเนี่ยเหมือนกับเราไล่จับลิงกรรมาฐานหมวดเนี้วิธีปฏิบัติก็เหมือนกับเราไล่จับลิงในป่าตาลซึ่งมีต้นตาลอยู่สาสิบสองต้น ปาตานอุปรมาเหมือนกับอาการสาตสบสองริงเนี่ยเปรียบเหมือนกับจิตคนไล่ก็คือสติสัมชัญญาที่เราจะต้องบริกรรมอยู่ถ้าเราทำอยู่เสมอก็จะเกิดประโยชน์นี่เป็นวิธีเจริญกายยคตาสติซึ่งอาตมาได้บรรยายค้างมาหลายอาทิตย์แล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสบรรยายให้จบไปเสเลยแล้วก็วันอาทิตย์หน้าต่อไปก็จะได้ นำวิธีเจริญกรรมฐานในข้ออื่นมาบรรยายให้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจเพื่อจะนำเอาไปปฏิบัติอีกออนอกจากกายคยตาสตินี้แล้วก็ยังมีกรรมฐานที่น่าปฏิบัติอีกหลายองค์ด้วยกันวันนี้การบรรยายวิสุทธิมรต ก, ก็ขอสมควรเก่เวลาแล้วจะมาขอยุดติการบรรยายไว้เพียงนี้